ก็ว่าือว่าหพ่อคือได้เรียนเอ่อทำมาชีวิตคือเรียนจิตใจดเูดเร่และดวงจิตใจพยายามว่าทำใจให้ให้หมดเลยให้ออกใจกคือทำใจให้คือจะให้หมดทุกทีทุกอย่างที่มาปออยู่ในใจคือทำให้ว่างคือให้ทังงานปุดจริงๆกำมังกำังดู ดิจิตอลสังอาจแล้วคือมันมีอะไรจะมาโผในจิตเลยแล้วหมดแล้วคือว่ามีเพ <c oughs> ียงอันเดียวและไม่อะไรที่มากอยู่ที่ในจิตแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไร เ, เลยอย่าเดอย่างไรว่าคือคือว่าต้องมามาก็ามาบวชนี่คือว่าได้ทำหน้าที่ของ องค์ธรรมะพพุทธเจ้าคือได้นาทีกระปวดสัตว์เราเกิดมาแล้วคือในโลกนี้คือรู้แล้วเราจะไปนิพพานเราจะทําอาเรย์ให้กับผู้ชนะทำอาเรให้กับโลกโอเดอเราต้องทํางานไม่ใช่โอนิพานแล้วไม่ทําอะไรแล้วต้องทํางานคือได้บวชในเป็นสาหะขององค์ธรรมะพรพุทธเจ้าแท้จริงแล้วต้องปฏิบัติ เดินตามรอยขององค์สมมาพุทธเจ้าเหมือนองค์สรมาพุทธเจ้ากำลังเดิอนอยู่และเราตทำตามอย่างนั้นนะกรมทางที่ท่านได้สอนท่านได้บอกว่าเออทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็เดินตามรอยและจะปวดสัตว์คือการสัตนี้คือสาตว์ะไรคือปสัตว์ที่ตัวว่า สัตคือสองอย่างคือมนุษย์และสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสัตว์ที่เกิดมาที่เป็นสัตว์นั้นคือสัตว์ที่ว่าไม่ได้เป็นมนุษย์นั้นคือสัตว์ยังเปนยังเป็นกรรมอยู่ยังเช่นกรรมคือย่างไรเราต้องดูสัตว์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์โคมสัตว์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์และประจักษ์เกิดมนุษย์คือได้เป็นตัวแทนของเรา ตอไปเราไม่ต้องมาเกิดแล้วเราต้องขุณสัตว์ให้มาเกิดแทนที่เพราะจะดูในศานาจะต้องดูในศาสนาดีก็ต้องสอปไปสามภูมนินี่นี่คือภูมินี่คือภูมินี่ฟานเมื่ออาจารย์มีโรคจากสอนนี่คก็เป็นภูมิที่สูงภูมินี่ฟานบางคนรับไม่ได้เขาจะไม่ไปเพราะไม่ถึงนี่ฟานก่อนถ้าถึงนี่ฟานนะพูดปั๊ด เขาู้ันทีเออทางนี้ถูกและไปมีปานเขาจะไปได้แต่พวกไปไม่ได้ก็ให้ไปเข้าไปไม่ได้ก็าไปถึงภูมิจะป่อยคือมันคือการสอนนี่เป็นทุกสอนตามภูมิคือุกสอนภูมิเทวดาและภูมิมาภูมิมาไม่ใช่เทวดาอย่างนี้ภูมิที่สูงภูมิที่ต่ำอย่างนี้สอนอย่างนี้คือว่าคือเราว่าเรามาเกิดในโลกนี้เราได้รู้ว่าเออคือเรามาเกิดเราถามตัวเองว่าเอ๊ะ เรามาเกิดเรามาที่ไหนถามอย่างนี้มันคือถามจิตเลย ท, ที่มาเกิดตรงบอกได้เลยว่าเออจิตนี้จิตสร้างงานพุทธิตามเออที่เรามาเกิดมาที่ไหนที่มาเกิดนี้เราทุกคนลงพ่อมั่นใจเลยทุกคนที่พูดจะไปนี่ปานนี่มาจากสวรรค์ทางนั้นเป็นคนขององค์สมมาพุทเจ้านั่งเป็นตัวแทนขององค์สัมมาพุทธเจ้าที่ใดเพราะอาจารย์ลงอาจารย์วิโรจนี์นี่ เทวดาชั้นทูตแ น, น่นอนที่ได้มาอยู่อย่างนี้ก็ช่วยเหลือการศาสนาช่วยเหลือองค์สมมาพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่ไอ้ลูกมนุษย์นี่จะได้นิพานคือทําไม่ได้ให้นิพานให้หมดทาไม่ได้ก็ต้องไปเลยตามภูมิอย่างนี้แล้วคืออย่างใดคือมรรงพ่อนี้แล้วคือจะยายามทาวะอกาอุจรเจ้าออกลุชาออออดาแล้วปฏิ บ, บาติ เอดวงวิญญาณของสัตว์คือสัตว์นั้นดูมาเกิดคือสัตว์นั้นคือเอาวันเรียตบุญเอาร่างกายของของต่าบุญสร้อยทานด้วยร่างกายและือจิตใจของสัตว์เหมือนกับเราเหมือนกับมนุษย์สัตว์นรู้จักเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละรู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักมีความรุ้รู้จักมีความเอ่อความทุข เหมือนกับมันุษย์นะครับว่าร่างกายเขาเป็นฉาติเขาเป็นกรรมนั่นยือกรรมนั่นคือเป็นกรรมซึ่งเราก็เหมือนเลยทุกคนถ้าเราไม่รักษาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เราต้องมาเกิดเป็นชาติอีก ต้องเป็นแน่นอนหลวงพ่อจัดเจนเลยต้องเป็นแน่นอนเราอย่าประมาทเอ้ยเราเป็นเทวดาเล้วลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อย่าประมาว่าเราจับไม่เป็นรัตว์ถ้าเรามาหลงอยู่ในเมืองมนุษย์นั้นต้องเป็นสัตว์แน่นอนเราขับมาถูกแน่นอนแน่นอนหลวงพ่อชัดเจนเลยต้องแน่นอนเราอย่าประมาทเอ้ยเรามาเกิดในเมืองมนุษย์นี่เอ้ยเราไม่ไม่ทําความดีก็ได้ อยาอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราต้องตามพันธะที่ของเราต้องตามตามเพื่ออะไรตามเพื่อรักองค์สมมาผู้ดีเจ้าเราทุกคุณเรื่องเราเป็นคุนของคุษศาสนาเราเป็นคุณพุดธบริษัททุกคนเราตามหาให้กับผู้ศรัทธาตามอย่างเลยเราทํามเต็มที่ดีดีให้ผู้ศรัทธาเราทุกคนเป็นสมมาหาน ข, ของผู้ศรัทธาถ้าผู้ใดไม่ตามดีนั้นผู้ไม่ตามหารของผู้ิรัทาแล้เรามาเกิดถ้าเราไม่ตามหาให้องค์สมมาพู้ด แล้วเราทาหารให้เคยเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องต้องอับในนอนมาแล้วต้องกลับในนอนตอนเราลับโลภอะไรไอยลภะอะไรไปอยบุญกับกรรมนี่กับชั่ว น, นี่คือป่าป่อยถ้าเราปัญญาแล้วเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีเราไม่เอาเลยเนี่โอนแต่สิ่งดีดีนี่คือได้ไป เ, าเราจับไปอ่าโตกทาง ถ้าเราเอาจริงที่ไม่ดีจรงที่จะจิกขงเราเนี่ยไงการเราเลี่ยต่อไปเร า, าต้องมาเกิดอีกพอมาเกิดอีกอะไรกรรมนี่มันจะจิกลัวเราและไม่ไปี่น้อยคือทำดีดีก็อยู่กับเราทาชั่วอ ย, อยู่กับเราทาบุญอ ย, อยู่กับเราอย่างนี้แหละ เออทากรรมกรรมดุกโลนีมันจะไปไหนเราพยายามที่เราต้องรู้ทจำจิตอายุเอ้เร า, าเ ท, ทําเสถียรดีๆๆเรารักเคร่มากที่สุดรักองค์สัมมาพุทธเจ้าเจ้าศาสนาเราทุกคนที่เกิดมาเพราะอะไรเกิดมาบุญนี่มาของเท่าไบุญขององค์สัมมาพุทธเจ้ า, าเราทุกคนจะไม่เคยว่าพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพ่อของเราจริงๆไานให้บุญมาให้ถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์นั้นก็บุญดังนั้นท่านได้ แต่โจงเราให้มาเกิดให้มาคว้าศาสนาของท่านแล้วเราต้องทําให้จริงทำให้จริงจริงจริ ง, รงนี่คือรวมทุกอย่างมันอาจารย์วิโรธทําจริงนี่มีสละจริงๆริไงนี่เออนี่อาจารย์ทําจะคิดจะปล่อยไม่จะทําคิดจะอยู่ ทำทิศจะไปอย่างนี้และอาจารย์เหมือนอารมณ์พ่อมนกันเอ้อทำทิศจะไปไปวันไหนวันนี้จะบายเรากำลังตมานอยู่แต่อย่างนี้ตมานอยู่ทำเพื่อที่จะไปนี่บางทีเอะเราอยู่แล้วไม่นึกว่าไม่รู้จะไปน้อยไม่รู้ไยตรงรู้ว่ารตรงไปนิด ก็รูปทางจะไปแล้วเรามั่นใจเว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไห น, นเราไปที่นั่นและไปเที่ยวที่เจ้าอยู่นั่นแหละคือพุทธเจ้าไปแล้วท่านไม่กลับแล้วท่านบายเลยมากลับแล้วเราไปตามองค์สมพุทธเจ้าตอนจะไปเราทำมังกรนี้ทำํำมัเกรสักหน่อยทุ่หมดจากกิเลสมันจะเมาทั้ ง, ง, ทงหลายนั้นจะไปได้ทุกคนนี่คือทํายากอาจารย์นะทํายากถ้าหมดกิเดจึงทํายาก เออถ้าหมดสิเล็กไปได้ทุกคง น, นี่เราพยายามเอเอก็รงบุญมากบารมีมากเออเราต้องเล็กจิตไอ้หมดจริงๆไม่เอาอะไรในโลกนี้ไม่เอาอะไรแล้วก็ในโลกนี้เป็นสมบัติของสมบัตโลกทั้งนั้นเไม่มีอะไระนี่เป็นของแผ่นดินเป็นของแส่จึงทั้งนั้นไม่ได้เป็นของเรา นี่เราไม่อ้อะเล็กทุกจริงทุกอย่างทุกทางงาน น, นี่คือเป็นของธรรมชาติของเกิดดับเกิดับอย่างนี้แล้วเออเกิดและดับเพื่อไม่ชิงไม่จุดในโลกนี่เราจะเบื่อแล้วไม่โองอะเล้วเราต้องถ้าเราจะตามองคธรรมมาพุทธเจ้าต่อไปนี่แล้วเราทุกตรงเลยปากกนนะ จ, จริงๆต้องทำจริงทําจริ ง, รงต้องไปจริงแน่นอนนี่แล้วต้องทําจริงต้องไปจริงมิเราถ้าไม่ทาเราเสียดายเรามาเกิด มาเกิดในโลกนี้ถ้าลงมาเกิดอีเลยเป็นคั้มสองขั้สามอย่างนี้อาเซาียได้ลงมาพอกแล้วนี่เล็ดมาพบแล้วเราท่องพยายามําให้ได้จริงจริงไงําเองทําเองไปเองนีอาจารย์ทําเองไปเองแน่นอนนี่และําดีต้องไปดีทําชั่วต้องไปชั่วเฮ้ด้ยอย่างนี้แหะอาจารย์แน่นอนไม่ผิดกงรถต้องไปหาองค์ธรรมอาภิชาแ น, น่นอนเออย่างนี้อาจารย์